บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปในเรื่องของขันธ์ทั้งห้าประการที่ทรงจำแนกแสดงไว้โดยนยยะต่างๆนั้นประการแรกก็เพื่อต้องการจะให้เกิดการรู้ยิ่งเห็นจริงในสภาวะที่แท้จริงของสิ่งต่างนั้น พคนเราถ้าเกิดความรู้ยิ่งเห็นจริงในเรื่องอะไรก็ต่างส่วนใดที่เป็นโทษรู้ยิ่งเห็นจริงว่าสิ่งนั้นเป็นโทษส่วนใดเป็นคุณก็รู้ยิ่งเห็นจริงว่าส่วนนั้นเป็นคุณเกิดทําให้เกิดชั้นทะอุตสาหะที่จะละเว้นในส่วนที่เป็นโทษลงมือประพฤติปฏิบัติในส่วนที่เป็นคุณอขันต่างห้านั้นในแง่ของความเป็นโทษ ก็คือการที่จิตไปยึดมั่นถึงมั่นในการทั้งห้าเหล่านั้นเอาไว้โดยไม่ยอมปล่อยวางแม้ในบางโอกาสที่ควรแก่การปล่อยวางเนเนได้เกิดความทุกข์ขึ้นมาในลักษณะต่างๆและต้องการที่จะกระจัดความรู้สึกที่เราเรียกว่าวิปราชคือคลัดเคลื่อนจากความเป็นจริง ซึ่งรอบงามใจิตใจของบุคคลทั้งหลายอยู่สราบเท่าที่ยังไม่บรรลุมรคลในทางวาสนาความรู้สึกเหล่านี้ก็คงมีอยู่เพียงแต่จะมากบ้างน้อยบ้างเท่านั้นเองข้อนี้บพืนสังเกตว่าบางครั้งแม้จิตใจของบุคคลจะไปกำหนดมองเห็นความสวยงามในสิ่งต่างๆ จะก็มีปัญญารู้เท่าทันถึงอนาคตของสิ่งเหล่านั้นเพราะในโอกาสต่อไปสิ่งเหล่านี้ก็จะต้แปลปรวนเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมดาของมันในความหวังที่จะให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างโน้นซึ่งนอกวิสัยของสิ่งเหล่านั้นที่จะเป็นไปได้ก็จะไม่บังเกิดขึ้นเพราะาสิ่งนั้นๆก็เกิดแปรผ่านไปตามสภาวะที่แท้จริงของเขา ก็เกิดรู้เท่าทันตามความเป็นจริงของสิ่งเดียดนั้นความเดือดร้อนต่างๆความเศร้าโศกเสียใจที่มองเห็นการทดพลาดแก่ของสวยของงามอันเป็นที่รักใคร่พอใจของตนก็จะดึงสงบระงับลงไปหรือแม้แต่การมองเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนว่าเป็นสิ่งที่เที่ยงแท้แน่นอนก็มีลักษณะเช่นเดียวกัน คนบางคนอาจจะมีความรู้เท่าทันถึงอนาคตของสิ่งเหล่านั้นและพร้อมที่ทําใจยอมรับถึงความจริงว่าเราก็จริงแล้วสิ่งเหล่านี้ก็ไม่เที่ยงแท้ยอย่างยืนแน่นอนอะไรถึงจุดตึงก็ต้องแตกต๋าบต้องแปรผันต้องทํำลายไปพอแตกต๋าบก็ทําใจได้พอแปรผันก็ทําใจได้พอทําลายไปก็ทําใจได้ ความเศร้าโศกที่เกิดขึ้นแก่คนทั่วไปก็ไม่เกิดขึ้นแก่คนที่มีความรู้สัมพันธ์กับความแปรผันของสิ่งเหล่านั้นถึงการไม่บัดในลักษณะนี้ถ้าลองสังเกตได้ดีก็พบว่าแต่ละคนนั้นมีพื้นฐานในปู่ ม, มปัญญาอยู่ระดับหนึ่งที่ช่วยให้รู้เห็นตามความเป็นจริงได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น แต่ถ้าเรามองให้ซึ้งลงไปอีกทีหนึ่งว่าทำไมจึงเกิดความรู้เห็นได้อย่างชัดเจนในจุดตรงนั้นเราก็ตอบได้ว่าเพราะว่าใจของบุคคลไม่ค่อยเกี่ยวเกาะมากเกินไปไม่เกี่ยวเกาะว่าเป็นของเราว่าเป็นเราว่าเป็นตัวตนของเรามากเกินไปวันนี้ผมสังเกตว่าเช่นคราวญาติพี่น้องเพื่อนฝูงประสบความพิบัติสูญเสียการพ ร, พราดพาดจากคนจากสัตว์จากสิ่งของเป็นที่รักนั้น แม่ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงต่างๆเป็นนั้นมากสามารถที่จะไปให้เหตุผลชี้แจงอธิบายแก่คนซึ่งก ำ, กำลังประสบความสูญเสียเหล่านั้นให้คลายความโศกเศร้าเสียใจลงไปได้ก็แสดงว่ามีภูมิปัญญาที่จะชี้แจงเหตุผลแก้ปัญหาแกให้แก่บุคคลอื่นได้ แต่พอปัญหาในลักษณะเดียวกันหรืออาจจะแรงกว่าหรือบางทีอาจจะน้อยกว่าได้ซ้งแปมาเกิดขึ้นแก่ตนปรากฏว่าตั้งหลักไม่ได้ตูกความเศร้าสุขเสียใจครอบงำรุนแรงจนบางครั้งบางคราวก็กัดกร่อนจิตใจอยู่ได้เป็นเวลานานจะลองถามใจตัวเองดูหรือลองดูที่ใจตัวเองก็จะเห็นได้ว่าสาหรับของเพื่อนฝูงนั้น ความรู้สึกว่าเป็นของเราว่าเป็นเราว่าเป็นตัวตนของเราไม่มากเกินไปก็เกี่ยวโยงกันว่าเฉพาะเป็นเพื่อนเราแต่นั้นเองแต่วใจไม่เกาะติดด้วยความยึดมั่นถือมันมากนักทำไมสติปัญญาและเหตุผลก็เกิดขึ้นได้ทุกจุดพอมีปัญหาก็นำปัญญาเหล่านั้นเข้าไปแก้ไขได้แต่พอมาถึงเรื่องของตัวเราเองปรากฏว่า ใจไปเกี่ยวอกาะไปยึดถือเอาไว่มากความรู้สึกว่าเป็นของเราก็มีอยู่ในสิ่งเหล่า น, นั้นมากความรู้สึกว่าเป็นเราหรือเราได้เป็นก็มีอยู่มากความรู้สึกว่าเป็นตัวเป็นตนของเราก็มีอยู่มากทาให้เหตุผลและสติปัญญาไม่มีกำลังมากพอที่จะช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้แก่บุคคลเหล่า น, นั้นในขณะนั้ น, น, น แต่ทีนี้ถ้าหากว่าความรู้สึกเหล่านี้กระจางลงไปแม้สิ่งเหล่านั้นจะเกิดขึ้นแก่เขาเองอาจจะมีความแปรผันทางจิตไปสักระยะหนึ่งแต่ในที่สุดก็จะตั้งหลักได้ทั้งตัวได้ใช้ปัญญาวิเคราะห์ตรวจสอบ ถึงความจริงที่เคยประสบมาแล้วก็นำสิ่งเหล่านั้นมาเป็นบทเรียนสะ้สนใจตัวเองให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้ที่จริงไม่ใช่เกิดขึ้นเฉพาะแกเรามันก็เกิดขึ้นแกคนทั้งหลายที่เคยเกิดมาแล้วในโลกนี้เกิดขึ้นที่แกคนทั้งหลายที่กำลังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ในขณะนี้และในขณะนี้ที่จริงก็เกิดขึ้นแกใครคนใดคนหนึ่งหรืออาจจะหลายหลายคน แต่แม้คนที่จะมีในอนาคตมันก็เป็นเช่นนั้นก็แสดงว่าปัญป ญ, ญาได้สอดส่องมองไปได้ทั้งสามกานการในอดีตกับปัจจุบันก็กลายเป็นบทเรียนที่ตนมีสัมผัสตรงในเรื่องหลอกนั้นจูก็จะเข้าใจว่าธรรมชาติก็เป็นอย่างนี้เองสภาวะก็เป็นอย่างนี้เองไม่มีใครจะล่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้ พอมาถึงอนาคตก็อาศัยอดีตกับปัจจุบันเป็นเครื่องกําหนดหมายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเกินว่าตกอยู่ในกฎอย่างเดียวกันลักษณะความคิดเหล่านี้ท่านสาธุชนหลายผู้สังเกตว่ามันก็เกิดขึ้นแก่พระพุทธเจ้าในตอนที่ทรงเห็นเทวทูต ท, ทั้ง4โดยเฉพาะเทวทูตสามแรกคือแก่เจ็บตายความคิดจุดเริ่มต้นของพระองค์นั้น แม้ก็มองที่ตัวคนแก่คนเจ็บคนตายและพอศึกษาเงื่อนไขต่างๆที่เกี่ยวความแก่ความเจ็บความตายซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ทําให้คนต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนั้นตรงก็น้องเข้ามาหาพระองค์พระพรองค์เองเมื่อพระชนมายุขนาดนั้นก็ต้องเป็นอย่างนั้นไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนั้นไปได้พระราชบิดาเองพนางเยสุอุตรา หล่อถึงราชญาติวงพงษ า, างต่างๆก็ตกอยู่ในสภาพนี้ก็เป็นไปตามสภาพนี้แล้วก็สัตว์โลกทั้งหลายมันก็ต้องอยู่ในกฎเหล่านี้แต่ในที่สุดก็ทรงมโนมองเห็นเป็นวงจรติหาจุดจบไม่ได้มันก็หมุนกันเรื่อยไปพรถ้าเกิดแล้วก็หมุนก็สู่แก่เจ็บตายตายแล้วก็เกิดต่อก็แก่เจ็บตายต่อไปอีก ก็กลายเป็นวงกลมที่หมุนกันอยู่อย่างนี้ไม่มีจุดจบก็ทาให้มองเห็นความทุกข์ซึ่งเคยสัมผัสมาในอดีตและความทุกข์ที่กำลังสัมผัสอยู่ในปัจจุบันคือถ้าเกิดขึ้นมาอีกในอนาคตมันก็คือกันหรือต้องประสบความทุกข์ในลักษณะ เ, เดียวกันประกายความพิดตัวนี้เป็นลักษณะของปัญญาที่เรียกวิวปัสสนาปัญญา เป็นการมองเห็นสิ่งเหล่านั้นจากจุดที่เราสัมผัสเพียงไม่มากนักแต่เนื่องจากปัญญามีความสว่างสวัยอยู่ภายในใจมากแล้วก็เรียนรู้เข้าใจเหตุผลในเรื่องเหล่านั้นได้มากแต่เนื่องจากชีวิตของบุราเกี่ยวข้องกับการทั้งสามธรรมะมันก็เกิดที่การทั้งสามกิเลสมันก็เกิดที่การทั้งสามได้เหมือนกัน แตนแ้นเมื่อกิเลสเกิดขึ้นในการทั้งสามหน่วงจิตของคโคคลให้สายไปสู่การทั้งสเวลาธรรมะก็เกิดขึ้นเขาก็หน่วงจิตไปดูสิ่งทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นในการทั้งสามได้ที่เป็นอดีตมันก็มองเห็นเป็นความแตกดับที่ก็แตกดับไปหมดแล้วที่เป็นนาที่เป็นปัจจุบันก็กำลังแตกดับกันอยู่ แนเกิดขึ้นในนาคตก็จะตกอยู่ในลักษณะอย่างเดียวกันข้อนี่จะเห็นได้ว่าเป็นการมองเห็นในแนวของอนิจจตาหรือความเป็นของไม่เที่ยงแต่ว่าการที่บุคคลไปมองเห็นว่าเที่ยงแท้แน่นอนเพราะว่าเป็นการมองรวบเป่าไม่ได้มองในลักษณะแยกย่อยเพราะมองเห็นในแง่ของ การสืบต่อที่ท่านเรียกว่าสันติคือเป็นการไหลที่สืบเนื่องกันไปของสิ่งนั้นๆฤษงเมื่อกล่าวโดยสรุปว่าถ้าปัญญาเรายิ่งมากเท่าไรเหตุผลสติปัญญาที่จะเข้าใจถึงสิ่งซึ่ ง, งเคยกาหนดหมายซึ่งเคยคิดซึ่งเคยเห็นว่าเป็นของสวยงามทั้งที่ไม่สวยไม่งาม เป็นของเที่ยงแท้แน่นอนทั้งที่เห็นทั้งที่เป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นสุขทั้งๆที่มันเป็นทุกข์เป็นตัวเป็นตนทั้งทั้งที่ไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนหรือไม่มีตัวมีตนที่แท้จริงรูปปัญญามันเกิดขึ้นมันก็สดสองมองเห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นในจุดเหล่านั้นบางครั้งรูปเหล่านั้นยังประณีตอยู่มันก็เห็นไม่ได้ เราก็ไปดูรูปอื่นซึ่งเกื้อกูลต่อการให้เกิดความรู้ความเห็นพรานี้พระเจ้าทรงสอนไว้แม้แต่ในระดับของอารมณ์กรรมฐานจึงเกี่ยวกับเรื่องนี้เช่นสมมติว่าจะเริญนสุภากรรมฐานซึ่งพยายามที่ใจมองให้เห็นความไม่สวยไม่งามของสังขารร่างกายของคนของสัตว์ทั้งหลายแต่ในภาคปฏิบัติก็จะต้องระมัดระวังเหมือนกันเพราะว่าปริมาณกิเลส ที่มีอยู่ภายในใจคนแต่ละคนนั้นมีความแตกต่างกันบางคนความกำนัดอาจจะเกิดแม้แกซักศพซึ่งตายแล้วใหม่ๆไม่นานนักแากว่าตันหาในอารมณ์ทั้งหลายมันมากอยู่เือเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นแกบุคคลบางคนโดยในยะนี้จึงกำหนดเงื่อนไขในการพิจารณาซักศพไวเป็นนั้นมาก และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูนั้นจะต้องดูสภาพของศพมันเป็นที่ตั้งแห่งความรังเกียจหวาดกลัวขยะขยงรูปร่างของซากศพนั้นได้เปลี่ยนแปลงไปมากแล้วแต่ถ้าถึงคนที่ใจหนาจริงๆกิเลสปันาหนาจริงๆจะต้องให้ไม่มีความเป็นผู้หญิงผู้ชายอยู่แล้วในความเป็นซากศพ น, นั้นเพื่อสามารถมองได้ในแง่เดียว ไม่มีจุดกระตุ้นให้เหนียวนึกไปถึงความเป็นหนุ่มเป็นสาวที่มีอยู่ในคนทั้งหลายแต่ให้มองในแง่ว่าจะอยู่ในไวไัยใดก็ตามในที่สุดมันก็ตรงอยู่ในสภาพอย่างนี้เพราะการกลายเป็นซากศพนั้นที่จริงก็มีได้ทุกวัยแต่คนทุกวัยซึ่งมีความสวยงามไม่สวยงามแตกต่างกันนั้นพอมาเป็นซากศพก็คือเป็นซากศพ เปิใจสามารถมองได้เป็นแนวเดียวแม้ในเรื่องของอณิจจตาก็มีลักษณะอย่างนั้นคือบางครั้งบางคราวปัญญาเรามีไม่มากพอที่จะไปเห็นในความไม่เที่ยงในสถานนั้นเช่นสมมุติว่าดูร่างกายให้เห็นเป็นของไม่เที่ยงในความเปลี่ยนแปลงในร่างกายเราเห็นได้ช้าเพราะาองค์ประกอบของร่างกายมันมาก พระเจ้าก็จะสอนให้ดูที่ข้างนอกตุนที้คองน้ำหยาดหยาดน้ำพยับแดดก้อนเมฆใบไม้อะไ ร, ะไรต่างๆซึ่งความแปรผันมันไปได้เร็วแล้วค่อยน้องก็มาหาเราทีหลังน้องก็มาง่ายถ้าหากว่าจะดูคนก็ดูที่คนแก่ได้ไดูที่คนเจ็บจเฉยดูที่คนตายได้ได้ เพราะฉะนั้นคนแก่คนเจ็บคนตายท่านจึงถือว่าเป็นเทวทูตเป็นผู้นำข่าวสารอันเปรสริยมาสู่มนุษย์เป็นธรมองบอกให้รู้ว่าแม้เธอก็จะเป็นอย่างที่ฉันเป็นเธอจะต้องแก่อย่างที่ฉันแก่เธอก็ต้องเจ็บอย่างที่ฉันเจ็บเธอจะต้องตายอย่างที่ฉันตายแต่ว่าเทวทูตนั้นท่านแสดงไว้ไม่เหมือนกัน ยันไดมีลินปัญหาที่ประรบถึงคนที่ตายไปแล้วจะไปสู่สำนักของปยาหยมปยายมจะถามเรื่องของเทวทูตจะ่าถามเทวทูต5าโดยเพิ่มผู้หญิงมีคันหรือเด็กอ่อนเข้าไปซึ่งแสดงให้เห็นถึงชาติหรือชาติความเกิดว่าเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์อย่างไร แล้วก็ถามความรู้สึกนึกคิดของคนที่เห็นหญิงทอง้ทองแก่หรือว่าเด็กที่กำลังคลอดมาจะมีความรู้สึกนึกคิดอย่างไรถ้านึกคิดมีความกตัดดูกตเวทีต่อผู้เป็นมารดามิตามีความคิดเห็นความทุกข์ที่อาศัยการเกิดเป็นเหตุก็ถือว่าเป็นความเห็นที่ถูกต้องหรือ น, นักโทษนั้นเพิงสังเกตว่านักโทษที่ปรากฏนั้นเป็นผล เป็นผล้องการทําบาปทํามาคุศลของบุคคลเหล่านั้นเป็นให้ผิดเป็นเหตุให้ผิดกฎหมายบ้านเมืองทางการมองภาพเหล่านี้จะต้องมองเห็นโทษของบาปมาคุศลที่นําผลคือความเดือดร้อนมาสู่บุคคลทั้งหลายผู้กระทำอาโทษคนนั้นเป็นการสะท้อนให้ดูเท่านั้นเองแต่แท้จริงแล้วชีวิตทั้งหลายในโลกถ้าหากว่าปล่อยประพฤติปฏิบัติ ผิดกฎหมายผิดศีลธรรมก็จะตกอยู่ในสภาพโดดนั้นจิตใจของบุคคลที่มองเห็นภาพโลดนั้นก็จะต้องสร้างความรู้สึกที่กอบหรือเบียดขาคือวิจารณาในแง่กฎของกรรมอย่างที่สวดสายายกันได้และจากนั้นก็มาคนแก่คนเจ็บคนตายก็รวมแล้วก็กลายเป็นเทวทูตหาแต่ที่จะเป็นเทวทูตอย่างที่เราเคยเรียนกัน เป็นสังเกตว่าในเทวทูต ท, ทั้งหานั้นกลายเป็นครูอย่างวิเศษที่จะให้บุคคลได้เกิดเรียนรู้เข้าใจถึงสัจจะความจริงของชีวิตที่ท่านเริ่มมาจากความเกิดเดา๋ยสวดสาทายกันว่าชาติความเกิดเป็นทุกข์สราความแก่เป็นทุกข์ความเกิดความแก่ความเจ็บความตาย ม่อเกิดขึ้นที่คนที่สัตว์ได้แล้วจะทำให้สัตว์เหล่านั้นเกิดแก่เจ็บตายตามไปด้วยเป็นกระบวนการขธรรมชาติที่ด้านเรียกว่าเป็นสภาวะธรรมคือเป็นสภาวะเขาเป็นอย่างนั้นเองเป็นธรรมชาติเขาเป็นอย่างนั้นการศึกษาในเรื่องนี้ก็คือมองในแง่ของความไม่จีรังยั่งยืนความไม่เที่ยงแท้ อาจจะต้องแปรผันไปตามกฎของปัจจัยลกักษณนกล่าวแต่ว่าตัวนักโทษเนี่ยมกลายเป็นการศึกษาในสิ่งที่เราสามารถหลีกเว้นได้ซึ่งปีกความเกิดความแก่ความเจ็บความตายของเราถ้าได้เกิดมาแล้วมันก็เลี่ยงความแก่ความเจ็บความตายไม่ได้แต่ว่าการเป็นนักโทษหรือกรรมนั้นบุคคลสามารถหลีกเลี่ยงได้ โดยพิจารณาถึงคุณถึงโทษของกรรมเหล่านั้นแล้วกรรมใดที่เป็นกุศลเราก็ลงมือกระทําได้กรรมใดที่เป็นอกุศลเราก็หยุดตัวเองไว้ไม่กระทําก็ได้แต่นั้นธรรมทูตเทวทูตทั้งข้าจึงกลายเป็นครูและเป็นหลักในการชี้นําทางดําเนินชีวิตให้แก่บุคคลได้เป็นอย่างดีและในขณะเดียวกันถ้ามองได้อย่างนั้นเห็นได้อย่างนั้นเมืจะไปขจัดความรู้สึก ในสิ่งที่แม้จะเป็นสุขก็จะเห็นว่าที่จริงมันไม่ได้สุขมันเป็นเพียงความทุกข์ที่ลดลงไปเท่านั้นเองเพราะในแง่ของความเป็นจริงแล้วชีวิตก็เรียกว่าโลกิยสุขเป็นภาษาสมมุติเพราะในแง่ของความเป็นจริงแล้วเป็นอาการของความทุกข์ที่ลดความสุขระดับโลกิยะจริงๆ จ, จริงไม่มีหรือมีอยู่ก็มีอย่างไม่เที่ยงแท้แ น, น่นอนอะไร บางครั้งบางคราวก็เป็นเรื่องประเดียวประดาเป็นเรื่งชั่ครัง้งชุ่วคราวที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือตัวความทุกขนั้นจะมีมากกว่าความสุขพระทรงแสดงเป็นหลักให้คนได้คิดว่าอปัซ า, าดาดุกฆากามาอิติวิญญาญปันิโตกามนี้มีทุกมากแต่ก็มีสุขน้อย มายความการที่จิตใจของบุคคลไปเกี่ยวเกาะอยู่ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสที่น่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจโดยสายกิเลสกามมีความรักใคร่ยินดีพอใจเป็นต้นที่มีอยู่ภายในใจของบุคคลเลยไปกำหนดยึดติดในสิ่งเหล่านั้นจนหน้าของตนามานาทิฏฐิดังกล่าวแล้วท่านไม่ถึงกับปฏิเสธความสุข แต่ว่าถือว่าเป็นความสุขที่มีอยู่เพียงนิดหน่อยในช่วงระยะเวลาสั้นๆแต่ความทุกข์ที่เกี่ยวเนื่องกับสิ่งเหล่านั้นมากมายได้เกยกตัวอย่างเช่นการรับประทานอาหารเป็นสุขแต่ถ้า่าบุคคลคิดเทียบเคียงดูก็จะพบว่าอาหารที่ให้ความสุขนั้นก็เมื่อได้สัมผัสรสอร่อยของอาหารในขณะที่ผ่านลำคอไปนิดเดียวเท่านั้นเอง แต่ก่อนที่จะผ่านขั้นตอนมาถึงรับประทานได้นั้นจะต้องสูญเสียเวลาใช้ความเปรียบประยามเหน็ดเหนื่อยเป็นนั้นมากแม้เป็นยุคสมัยแม่บ้านถุงพลาสติกกรตามก็ต้องเสียเงินเจ้าทองไปซื้อหามากทิ้งช่วงอยู่นานแล้วผ่านขั้นตอนมาแจ๊แต่หลังจากนั้นแล้วก็ต้องสูญเสียเวลาไปการในการชำระล้างผ่าชนะการปฏิบัติสถานที่ต่างต้น ตอนช่วงที่ให้ความสุขจึงเป็นช่วงขละสั้นๆส่วนจริงๆมันก็เป็นเรื่องของความทุกข์แต่พอดีมันก็ลดลงก็ดีกว่าเดิมดีกว่าในขณะที่ทุกข์มากๆก็ทำให้คนรู้สึกสบาย็กล้ๆกับการแบกของหนักๆแล้วก็เพื่อนช่วยแบ่งออกไปบ้างนะเรารู้สึกเบาที่จริงมันไม่ได้เบาแต่เพียงว่าเบาลงกว่าเดิม ในขณะเดียวกันถ้าเทียบกับตอนที่เราไม่แบกตอนไม่แบกมันก็เบากว่าดังมากมายเราไม่ต้องแบกอะไรนี่ก็คือจุดของการพิจารณาเทียบเคียงให้เห็นว่าในแง่ของความเป็นจริงที่แท้ จ, จริงแล้วความสุขระดับโลกๆมันไม่มีมีก็ในกรณีเป็นความทุกข์ที่ลดซึ่งท่านอุ ป, ปมาเมื่อการเกาแผลที่ขันแล้วเกาไปมันก็หายกันหรื อ, อยะหนึ่งก็ขันอีกก็เกาอีก ก็มีอยู่ลักษณะอย่างนี้ความเข้าใจในแนวนี้ถึงแม้จะไม่สามารถเข้าใจได้ตลอดแต่ถ้าทำใจยอมรับรู้ไปบ้างว่าจริงๆมันไม่มีหรอกเป็นเรื่องของการปรับจิตตัวเองยอมรับในสิ่งเหล่านั้นที่เป็นอาการของความทุกข์ซึ่งลดลงแล้วเราก็กำหนดว่าเป็นสุข มันก็เป็นสุขสําหรับเราแต่มายังถือว่าเป็นการกําหนดเพราะนี้พึงสังเกตว่าลักษณะของอารมณ์อย่างเดียวที่บุคคลสัมผัสพร้อมกันก็ไม่ใช่เป็นเหตุที่ตั้งแห่งความสุขของบุคคลเหมือนกันกทุกๆคนก็ขึ้นอยู่กับใจที่เขากําหนดและกาที่เก็บความรู้สึกต่อสิ่งเหล่านั้นเอาไว้จะเป็นตัวกําหนดให้เป็นยินดีหรือยินร้าย ถ้ายินดีก็รู้สึกเป็นสุขถ้ายินร้ายก็เกิดเป็นทุกข์ท่าไม่สนใจมันก็เกิดเปนะ็นอทุกขกมาสุขในส่วนของความเห็นในสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขก็จะไม่ถึงกับวิปลาสแรงเกินไปแต่จะช่วยให้มีหลักใจที่จะระลึกรู้เท่าทันทั้งสิ่งเหล่านั้น ถึงแน่นอนว่าในขณะนั้นความรู้สึกเกี่ยวเกาะด้วยอํานาจตันหาก็ต้องลดลงไปความรู้สึกเกี่ยวเกาะด้วยอํานาจของมานะว่าเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้เป็นต้นก็จะลดลงไปความรู้สึกเกี่ยวเกาะด้วยอํานาจของทิฏฐิก็จะลดลงไปใจก็จะปร่งเบาสบายอยู่ในระดับหนึ่งเนื่องจากการปฏิบัติธรรมะเป็นเรื่องของการขัดเกลาือทําไปเรื่อยๆอย่างนี้ เมอพอลดในส่วนใดส่วนหนึ่งลงไปแต่ส่วนอื่นก็จะลดตามไปเช่นสมมุติว่าลดกิเลสลงไปความยึดถือในขันธ์ทั้งห้าก็ลดตามไปด้วยเพราะเราจะมีความทุกข์ที่เกี่ยวกับขันธ์ทั้งห้าน้นอยลงสามารถที่จะปรับใจตัวเองให้อยู่ได้ในบางเรื่องหรือบางครั้งแม้ระดับของธรรมปฏิบัติเช่น เร่งพรหมมีหารทั้งสประการผมสังเกตว่าท่านแสดงไว้เป็นรูปพรหมสี่หน้าเมตตานั้นใช้ในกรณีของคนสัตว์ทั่วไปกรุณาใช้ในกรณีของคนสัตว์ที่ประสบความเดือดร้อนมุติตาก็ใช้ในกรณีของคนสัตว์ที่กําลังประสบความเจริญความก้าวหน้าดัด่งต่างๆเพื่ออะไรเพื่อกระจัดความพยาบาตรความเบียดเบียนความริษยา ในคนในสัตว์เหล่านั้นจะมีปัญหาบางอย่างซึ่งมันเป็นเงื่อนไขของกรรมก็ตามแนวของเทวทูตซึ่งเป็นนักโทษดังกล่าวเราก็มองเห็นว่า น, นี่มันเป็นกฎเกณฑ์ของกรรมที่ใครก็ตามทํากรรมอย่างใดอย่างหนึ่งไว้เขาจะต้องได้รับผลแห่งกรรมนั้นในกรณีที่เราจะใช้หน้าเมตตาหน้ากรุณาหน้ามุทิตาไม่ได้แล้ว ก็ขืนใช้จะสร้างปัญหาการใช้ธรรมะไม่ใช่สร้างปัญหาแต่ต้องแก้ปัญหาจึงเลือกใช้อุเบกขาโดยการทำมัดทาใจปัยญาให้เป็นกลางลักษณะของเบกขาก็เป็นปัญญาเหมือนกันสะพิจารณาเห็นในขณะนั้นๆว่ามันเป็นเรื่องกฎของกรรม เราใช้เมตตาปรารถนาที่จะเขาเป็นสุขก็ไม่ได้เราก็วางประสบความทุกข์ประกรรมเขาอยู่เราใช้กรุณาช่วยเขาให้หลุดพอด้อหลุดพ้นจากความทุกข์เหล่านั้นก็ทําไม่ได้เราก็ผิดกฎหมายด้วยยิ่งไปมุติตายคือแสดงความชื่นชมยินดีกับ ค, คนที่ถูกจับกุมกุมขังลงโทษประกรรมของตัวนั้นยิ่งไปกันใหญ่คือทําไม่ได้กันไปใหญ่แล้วก็แตกแยกกันไปด้วยเพราะตรงนี้แหละที่ท่านใช้หน้าอุเบกขา คือพิจารณาตามกฎของกรรมดังกล่าวแสดงเห็นว่าในช่วงนี้ตัวสมาชิฏิคือปัญญาเห็นชอบก็เกิดขึ้นในจุดของความเห็นที่เกิดจากทิฐิทำหน้าที่สลายความรุนแรงของความเห็นเหล่านั้นแล้วก็ทมหน้าที่ในการให้เหตุผลตามร่งควรแก่กรณีดังนั้น การประพฤติปฏิบัติของบุคคลเหล่านั้นก็จะมีเหตุมีผลสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นคือปรับจิตให้อยู่ได้ในสถานการณ์ต่างๆแล้วก็หาประโยชน์ได้จากทุกเรื่องที่ตนต้องเข้าไปเกี่ยวข้องในขณะนั้นๆแม้ในความเป็นอนัตตาของรามทั้งหลายก็เป็นเช่นเดียวกันปือถ้าปัญญาบันเกิดขึ้นเรามองเห็นสิ่งทั้งหลายเป็นอนัตตาแล้ว ความคิดในรูปการข่อยคว้าปราถนาก็จะลดลงไปเพราะข่อยคว้าไปมันก็เท่านั้นเองไม่เป็นทั้งเราไม่เป็นทั้งของเราไม่เป็นทั้งตัวตนของเราแต่้าใจไปข่อยคว้าไปปราถนาไปยึดติดเข้ามันก็สร้างปัญหาให้ได้สัต์ให้ได้สารพัดในความเป็นเราก็ไม่ดิ้นรนข่อยคว้าหรือว่าต้องเป็นในจุดใดจุดหนึ่งก็เป็นให้เป็น แล้วก็เตรียมใจรับได้ทั้งสองทางวันนี้ยังรับราชการอยู่ก็ทำงานเต็มที่พรุ่งนี้กเกษียณก็กเกษียณไม่ไปดึงเอาความเป็นข้าราชการมาเศร้าส้อยเสียใจบริวารก็หายไปเพื่อนขุมก็หายไปความยิ่งใหญ่ต่างๆที่เคยมีในหน่วยงานนั้นๆก็หายไปหรือไม่พิคิดอย่างนั้นคือยอมรับทุกจุดในขนานั้นแสดงว่ามีปัญญาเป็นหลัก ในการเข้าไปเกี่ยวข้องกับลักษณะอารมณ์เหตุการณ์สังคมแลอดทั้งสิ่งนี้เกิดขึ้นปรุงจิตในขณะนั้นนั้นธรรมะปฏิบัติในแนวนี้เป็นเรื่องของการใช้ปัญญาเป็นหลักพิจารณาเห็นประจักษ์ชัดในสิ่งเหล่านั้นที่ตนสัมผัสอยู่ในขณะนั้นแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทาความสงบสุขต่อไป